พระบัญญัติหนัก็ภิกษุณีใดบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบสิบสองปีผู้ได้ศึกษาศิกขาในธรรม6ข้อตลอดสองปีแต่สงฆ์ยังไม่ได้สมมุติต้องอบัตตาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ